พระธรรมตามพระใจปิดกครั้งที่หนึ่งร้อยสี่คนละเรื่องเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะนายนับถือคําว่าพระพุทธเจ้าก็ยังดีแล้วคำว่าพุทโธหาฟังได้ยากนักหลังนั้นก็ยังดีเมื่อเทียกบกับถึงโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะนึกถึงโทรทัศน์กันนึกถึงพุทโธเฉยๆโอ้ดีกว่ากันมากมายมหาศาลนึกถึงเธออ่ะก็ดีและทีนี้ต่อไปว่าคําว่าทางสายเดียวเนี่นะก็คือมีในธรรมวินัยเดียว การรู้อริยสัจเนี่ยนะมีไหมาศาสนาไหนที่สอนเรื่องอริยสัจบ้างไม่มีนั้นการรู้อริยสัจมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีในพระพุทธศาสนานะธรรมธรรมวินัยนี้ไม่ใช่มีในกลุ่มเรานอะคือมีในพระพุทธศาสนานะมีในธรรมะหรือแม้แต่พระปัจเจ ก, กับพุทธะก็ยังมีพุทธะอยู่ใช่ไหมนับว่าพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแทงตลอดอริยสัจได้นั้นนะ่ะมีอยู่ซ้ายเดียวคือในธรรมวินัยเดียว ไม่มีาศาสดาใดที่บัญญัติเรื่องอริยสัจได้เองนอกจากศึกษาก่อนนะแล้วกล่าวตูวว่าเป็นของตัวเนี่ยมีที่จริงตัของพระพุทธเจ้านั่นแหละได้เข้าโค้งมาแล้วมาคิดเอาเองเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวของตัวเองอนะพวกนี้กล่าวตูวหรือว่าปล้นของพระพุทธเจ้าออไปสุดยอดมหาโจรเลยแบบนั้นแปลว่าพบเองยังไงก็คือของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นไปตามกรรมเถอะไม่ต้องห่วงเลย ทีนี้ข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่าธรรมะทางสายเดียวก็คือมีจุดหมายอันเดียวจุดหมายของอริยมรรคทั้งหมดคือนิพพ า, านนิพพ า, า, า, า, านนี่หมายความว่ายังไงต้องไม่ลืมนะนิพพานเนี่ยเพราะคนจินตนาการเป็นเมืองแก้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แห่งหนึ่งนะเป็นดินแดนดินแดนหนึ่งซึ่งเมืองแก้วเมืองเพชรเมืองพลอยเคยจะนึกจินตนาการแบบนั้นถามว่าถูกไหมก็แสดงว่านิพพานคือเมืองแก้วสิ แต่ว่านั่นเป็นสำนวนโบราณที่ให้เกียรตินับถือยกย่องเดีนี้เราก็มาเคลียร์คำว่านิพานนี้แปลว่าไงนิวานะนินี่แปลว่าไม่มีวานะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าวานะเป็นเครื่องร้อยรักเป็นชื่อของตัณหานิพานนี้เป็นชื่อของความสิ้นตัณหานิพานเป็นชื่อของความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วราคะโทสะโมหะเนี่ยนะมันเป็นยังไง บอกราคะโทสะโมหะเนี่ยนะถ้าจะเกิดก็เกิดกับสิ่งที่รักที่เจริญใจที่ชอบใจอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจตันหาก็จะเกิดเกิดตรงนั้นนถ้าหากาว่าถามาบุคคลเมื่อจะละตันหาละที่ไหนละตรงนั้นอีกนั่นแหละใช้คำว่าละนะเมื่อกี้บอกบุคคลจะละตันหาละที่ไหนละตรงนั้นแนี่ละยังไงตะทางข้าประหารวิขำพนะประหารสมุเทเชทประหานนิสรณะประหาร ปฏิปักสัตที่ประหารในอารมณ์นั้นเนี่ยทําได้ยังไงในสิ่งเดียวนั้นแหละเห็นไหมอย่างสีเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกพิจารณาสีอย่างไรจึงจะเป็นต่ทางค้าประหารตทางข้าประหารมีกี่ระดับพิจารณาสีอย่างไรจึงจะเป็นสมุดเชทประหารจึงจะเป็นปฏิปักสัที่ประหารอ่างั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจึงจะละตันหาได้ถ้าอย่างอื่นน่ะก็กลบเกลื่อนตันหา เขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ปัจจัยมันเลยยังไม่เกิดเรานั่งอยู่นี้ไม่มีใครโกรธใช่ไหมไม่โทสะง่ายๆนะถ้าพ้าไม่ด่างไม่มีโทสะถามว่าละได้หรือยังยังถามว่ามีไหมไม่มีอ่ะยังไม่เกิดยังเมื่อเมื่อเเหงื่อเหงื่อไม่ออกเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยใครก็เหงื่อไม่ออกถามว่าไม่มีเหงื่อใช่ไหมมีมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นนะก็บอกว่ามันยังไม่ได้ปัจจัยนะคนที่ยังละกิเลสไม่ได้ก็เหมือนกันมันยังไม่ได้เชื่อไม่ได้ปัจจัย ถ้าได้ปัจจัยปั๊บเดี๋ยวก็ทะลักออกมาแนละ้ว ป, ปิดให้มันพันเนี่ยได้ปัจจัยก็แตกและกิเลสทั้งหลายพอได้ปัจจัยก็เกิดแต่ผู้ที่เข้าถึงอริยมรรคแล้วถึงได้ปัจจัยก็ไม่เกิดคืออุปนิสัยไม่มีแล้วทัานจะไปเจออารมณ์ที่กระทบกระทั่งขนาดไหนท่านก็ไม่โกรธผ้านาคามีนะเอาไปตัดขาข้างหนึ่งของท่านท่านไม่โกรธเลยนะไม่ร้องให้ไม่เสียใจไม่อะไรซักอย่างไม่รำพึงรำพันเลย พอท่านละแล้วไม่มีเชื่อแล้วไม่มีเชื้อให้โกรธแล้วก็ <_ d ose> บอกว่ามีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะมีภรรยาล้ายคนด้วยกันตอนต้นเนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะามีภรรยาล้าคนทีนี้ฟังธรรมแล้วเป็นพระ อ, อนาคามีอ่ะทีนี้มีภรรยายอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าขอมีผัวใหม่เลย <_ d ose> คือบอกว่าเธออยากกลับบ้านก็ปไปอยู่บ้านนะอยากอยู่ที่นี่ก็อยู่นะอยากมีสามีใหม่ก็เอานะ คนหนึ่งบอกขอมีสามีใหม่เลยใจท่านไม่เปลี่ยนเลยปกติเหมือนเดิมเป๊ะเลยก่อนพูดยังไงหลังพูดก็อย่างนั้นเขามีลักษณะเนี้นะทําใจได้ขนาดนั้นหรือเปล่านั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แกล้งทําใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้รู้สึกเครียดเลยแม้แต่นิดเดียวนะทพานนาคามีไม่รู้สึกเครียดเพราะท่านทําสมาธิให้บริบูรณ์ท่านาคามีเนี่ยบริบูรณ์ด้วยศีลและสมาธินั้นท่านจึงไม่โกรธนะตัดคอท่านท่านยังไม่โกรธเลย พราะเชื้อแห่งความโกรธไม่มีแล้วเชื้อไข้มันไม่มีอ่ะพอาละไข่บางอย่างไม้ละอย่างมาลาเรียนเนี่ยนะคนที่ยังละเชื้อไม่ได้พอมได้ปัจดใจปั๊บไข้ขึ้นเลยใช่ไหมแต่คนที่กินยาหายแล้วนะได้เวลามันก็ไม่ไข้ก็หมดเชื้อแล้วเชื้อแห่งอันนั้นไม่มีแต่เชื้ออันนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะหายเองนะต้องกินยายาในที่นี้ได้แก่อารยมร์เมื่ออารยมร์เกิดขึ้นแล้วเชื้อแห่งโทสะเป็นต้นจึงจะดับไป อันโทสาเป็นต้นก็จะดับได้ในระดับมรรคที่สามเป็นต้นเนี่ยนะอันก็ได้กล่าวถึงวันนี้พานนั้นเป็นชื่อของความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิดเหมือนกับลัทธิบางกลุ่มที่บอกเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งเสร็จแล้วบอกว่านี่คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการพูดเอาเองไปแต่ว่าสุเมธบัณฑิตนี้เขาก็คิดอ่นะว่าเออเกิดแกเจตตายเนี่ยมันเป็นทุกข วควรสแสวงหานิ้พานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีทุกข์เย็นไม่รู้จักตายเพราะเหตุนั้นท่านก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าเราเข้าไปสู่ที่เร้นนั่งแล้วในตอนนั้นได้คิดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่เป็นทุกข์การแตกดับแห่งสรีระก็เป็นทุกข์เรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเช่นกัน เราจกแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนเกษมฉะนั้นเนาะเราไม่พึงมีเยื่อใหญ่ไร้ความต้องการทิ้งร่างกายซึ่งเน่าเน่ยเต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดนี้ไปเสียได้ทำยังไงนะจะทิ้งกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆจริงหรแบอเปาเนี่นนะศพปูศพกุ้งศพไก่เท่าไหรนะศพเยอะนะในตัวเนี่ยฟังไว้เพียบปาชา้า ที่จะทิ้งทิ้งตายนี่เสียได้แล้วไปในทางนั้นเนี่ยนะทางแห่งนิพพานเนี่ยมีอยู่จักมีแน่ทางนั้นอันใครๆไม่อาจที่จะไม่ให้มีได้มีไหมใครที่ไม่ทําให้ไม่ให้มีนิพพานไม่ให้มีทางเลยเนี่ยทําไม่ได้หรอกเราจะแสวงหาทางนั้นทางตรงนั้นต้องมีแน่นอนเลยแต่ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนใช่มเพราะตอนนี้ท่านท่านยังเป็นคนธรรมดาอยู่เพื่อพ้นจากพบให้ได้แต่เรารู้ทาง ใ, ใช่ไหม จะไปหรือเปล่าแค่นั้นเองต่อจากนั้นก็คิดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเหมือนอย่างว่านะท่านก็ลองเปรียบเทียบดูนะลองเปรียบเทียบสองภาวะดูว่าชื่อว่าสุขที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกมีอยู่ในโลกชั้นใดเมื่อพบมีอยู่แม้สิ่งที่ปราศจากพบอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพบนั้นก็เพิ่งมีฉันนั้นเออเมื่อพบมีอยู่ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่พบพก็ต้องมี เนี่ยคือลักษณะการเปรียบเทียบในเชิงอุปสมานุสตินะจะเป็นลักษณะนเริ่มเปรียบเทียบแบบนี้และเหมือนเมื่อมีความร้อนมีอยู่แม้ความเย็นที่จะระงับความร้อนนั้นก็ต้องมีฉันใดแม้พระนิพพานเป็นที่ระงับไฟมีราคะเป็นต้นก็พึงมีฉันนั้นความร้อนเมื่อร้อนกับเย็นเทียบเคียงกันเมื่อโลภะโทสะโมหะอยู่ธรรมะที่ดับโลภะโทสะก็ต้องมีฉันนั้นน่ะนะ ธรรมะที่ไม่มีโทษอันงามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะอันเป็นบาปลามกมีอยู่ชั้นใดขนาดกุศลยังมีเพื่อละอกุศลเลยใช่ไหมเมื่อชาติอันลามกเลวทรามเนี่นะมีอยู่แม่นิพานกล่าวคือความไม่เกิดเพราะให้ความเกิดทุกอย่างสิ้นไปก็พึงมีชั้นนั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาว่าเมื่อทุกข์มีอยู่ขึ้นชื่อว่าสุขก็ต้องมีชั้นใด เมื่อพบมีอยู่แม้สภาพที่ปราศจากพบก็ควรปรารถนาฉันนั้นเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอีกอย่างก็ต้องมีฉันใดไฟสามอย่างมีอยู่ไฟคือราคะโทสะโมหะมีอยู่พระนิพพานก็ควรปรารถนาฉันนั้นเมื่อสิ่งชั่วมีอยู่แม้ความดีงามก็ต้องมีฉันใดความเกิดมีอยู่แม้ความไม่เกิดก็ควรปรารถนาฉันนั้น นี่ก็พูดคุยในลักษณะคนที่อิ่มตัวทางวัตถุนะคนที่อิ่มตัวทางวัตถุ ก, ก็จะสแสวงหาทางสงบแลละคือตรึกอย่างนี้เนี่ยนะเราลองเราลองถามผู้ที่อยู่นอกาศาสนานะผู้ที่อยู่าศาสนาอื่นเอาพูดตรงๆว่าถ้าเป็นฝรั่งบังค่าเนี่ยเขาจะเคยตรึกไอ้สิ่งตรงกันข้ามเหล่านี้ไหมเขาไม่เคยคิดว่าไอ้การเกิดมาเนี่ยมัน แล้วไม่เกิดมันจะเป็นยังไงใช่ไหมว่าไม่แก่จะมีไหมไม่ไม่เกิดโทสะจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่เกิดโลภะเนี่ยจริงๆทําได้ไหมเขาจะนึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าไปพูดกับเขานะเขาจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้อา่ามีโทสะแม้กระทั่งอนุสัยเลยเนี่ยนะหรือจะไม่มีโลภะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ ยับยบเพียงแต่บอกว่าผู้ที่เขารักษาพรหมจรรย์ที่เป็นบรัรพชิตเนี่ยที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยบอกโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ปิดธรรมาชาติมันเป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านี่เกิดเรื่องเกิดราวเยอะแยะเขาจะพูดเถะเป็นกันเลยนี่หมายความว่าคนต่างศาสนาจะพูดอย่างนี้ผมก็ได้ยินมากับกับตัวเองนะครับนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงชีวิตของคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามมากๆานั่นนะเขาจะไม่รู้เลยว่าอย่างอื่นนี่เป็นยังไง สำนวนไทยๆนะมันก็เหมือนกับเสียดสีแต่ก็ที่กล่าวนี้ไม่ไม่ประสงค์เสียดสีแต่เล่าให้เห็นความแตกต่างกันว่าปลากระเต่าเนี่ยเขานึกภาพไหมว่างอนะั้นปลาก็อยู่แต่ในน้าปลาก็ถามเต่าว่าเตา่ า, ตาบนบกนี่มเป็นยังไงเต่าว่าเล่าให้ฟังว่าบกนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีภูเขามีดวงอาทิตย์มีพระจันทร์มีคนมีอย่างนั้นอย่างนี้นปลาเอไม่เชื่อจนถึงกับสำนวนไทยเชิงเสียดสีว่ากบอยู่ในกะลา ไม่เคยมองเห็นโลกข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในห่วงของโลภะโทสะโมหะมากมากก็จะนึกไม่ออกว่าเออพระอริยะท่านเป็นยังไงก็มันจะคนละตรงข้ามก็บอกว่าธรรมของบัณฑิตคนผานย่อมไม่รู้อันคําว่าพานนี้ก็คือคนที่มีจิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะนะอย่างคนตนีเนี่ยนะคนให้ทานแล้วมีความสุขเขานึกไม่ออกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไง แค่หยาบๆธรรมดาเนี่ยคนจะเอาอย่างเดียวอ่ะเอ๊ะเขาบอกว่าเขาให้แล้วเขามีความสุขแล้วนึกไม่ออกมันลุกเป็นยังไงเลยนะมีแต่จะเอาแล้วมีความสุขนึกไม่ออกเลยนะเออเป็นยังไงอย่างคนที่หมกมุ่นไปด้วยเรื่องกิเลสตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งกับกิเลสเขามีความสุขที่สุดมันนึกไม่ออกเลยเขาบอกว่าเขาได้สนองเจตนารมเหล่านั้นเขามีความสุขมันว่าสุขกันคนละอย่างคนที่ดีกับชั่วเนี่ยบางทีนึกไม่ออกอ่ะ บางคนก็เป็นลักษณะนั้นเว้นไว้ wide, แต่ว่าคนที่มีอุปนิสัยส่วนหนึ่งเขารู้ว่าเอ อ, อชีวิตของเขาเนี่ยมันมากไปด้วยบาปอกุศลเนี่ยนะเขาก็สุขแบบเขาแต่เชื่อว่าคนที่เขาปราศจากสิ่งเหล่านี้เขามีความสุขแน่นอนบุคคลชนิดนี้เรียกว่าคนมีศรัทธาจริงอยู่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่เขามีศรัทธาเขาเชื่อว่าเป็นไปได้พอมีศรัทธาก็จะเกิดการ เข้าไปหาเออเป็นนั่งนั่งฟังดู้ที่ท่านว่างไงบ้างเมื่อไปหาก็นั่งใกล้นั่งใกล้ก็เงียโสดลงสดัะคนที่ดีจริงจริงนะศัตว์บุรุษทั้งหลายก็จะชี้แจงเปิดเผยประการให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะที่ละได้อย่างเงี้ยเพราะทําแบบนี้มีข้อปฏิบตัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยจําไว้เออไปลองปฏิบัติลองค้นลองตรึกลองคิดพิจารณาตามปฏิบัติตามเออจริงฮะก็สามารถที่จะเข้าถึงภาวะอันนั้นภาวะที่ปราศจากตัณหาได้ แต่ถ้าปฏิเสธตั้งกระต้นแล้วก็พระไม่โปรดแล้วจำนวนนะพระไม่โปรดคือพระจริงๆริงนะเพราะว่าทุกวันนี้มั น, มนเทียมเยอะนะน่าจต้องพูดเพื่อหน่อยทีนี้ต่อไปนะว่าท่านก็ยังคิดต่อไปอีกนะท่านไม่ได้คิดแค่นี้หรอกสุมเมธบัณฑิตคําว่าสุมเมธนี่คือคนมีปัญญาดีสมเมนะุเมธนะเมทะเนี่ยเมโทเนี่ยแปลว่าปัญญาสุมเมธสูนี่แปลว่าดีคนมีปัญญาดีนะฟังชื่อนี่ก็รู้แล้วนะแล้วท่านก็ยังคิดข้ออื่นๆต่อเพราะว่า บุรุษผู้จมอยู่ในกองคูดจมอยู่ในกองแห่งอุจจาระเนี่ยนะเห็นสะใหญ่ดาดาดไปด้วยดอกประทุมห้าสีแต่ไกลควรที่จะสแสวงหาสะนั้นด้วยคิดว่าเราควรจะไปที่สะนั้นโดยทางไหนเนาะการไม่สแสวงหาสะนั้นหาเป็นความผิดของสะนั้นไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษเท่านั้น นอนจมเกลือกกล้วอุจระปัสสาวะอยู่เนี่ยนะสกระปรกมองเห็นแล้วลู้นั่นน่ะสระบัวเพราะ ง, งั้นเข้าไปเนี่ยซักสะอาดแน่นอนเอ๊ะมันก็ต้องมีทางไอ้จะไปยังไงนะเอ๊ะถ้าไม่ไปแล้วสระกับคนเปื้อนเนี่ยใครผิดเพา ง, งั้นแต่ท่านก็บอกว่าเมื่อสระใหญ่คืออมตะนิพานเนี่ยเป็นที่ชาระล้างมนทินคือกิเลสมีอยู่การไม่สแสวงหาสระนั้นไม่เป็นความผิดของสระใหญ่คืออมตะนิพาน แต่เป็นความผิดของบุรุษเท่านั้นฉะ น, นั้นเหมือนกันกขบอกว่าสกปรกและไม่หาน้าอาบเนี่ยน้าไม่ผิดนะแต่ว่าคนสกปรกนั่นแหละผิดอันหนึ่งบุรุษผู้ถูกโจรห้อมล้อมเมื่อทางหนีมีอยู่ถ้าเขาไม่หนีไปข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเท่านั้นฉันใดบุรุษผู้ถูกกิเลสห้อมล้อมจับไว้ได้แล้ว เมื่อทางอันเยือกเย็นเป็นที่ไปสู่พระนิพพานมีอยู่แต่ไม่แสวงหาทางนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่แต่เป็นความผิดของบุคคล น, นั้นเท่านั้นฉะนั้นเหมือนกันโจรคือกิเลสเนี่ยมันปล้นปล้นอะไรปล้นกุศลธรรมไปหมดเลยนะถ้าหากว่าไม่หาทางหนีเองนี่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นความผิดของทางแต่เป็นความผิดของคนคนนั้นนั่นแหละ บุรุษผู้ถูกพยาธิเบียดเบียนเมื่อหมอผู้รักษาความเจ็บป่วยมีอยู่หากเขาไม่สแสวงหาหมอนั้นให้รักษาความเจ็บป่วยข้อนั้นหาเป็นความผิดของหมอไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นฉันใดผู้ถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียนไม่สแสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการระ ง, งับกิเลสซึ่งมีอยู่ข้อนั้นเป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้น หาเป็นความผิดของอาจารย์ผู้ทํากิเลสให้พินาฏไม่ฉันนั้นเหมือนกันท่านก็คิดหน้าดูเลยนะเป็นนักคิดเลยนะตรึกหน้าดูเลยนะวิเคราะห์คืนสํานวนนี้นะฮะสานวนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพุทธพจน์น ะ, ะท่านอัตตกถาจารย์อธิบายนะอ๋อนี่พุทธพจน์นะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ตรงเลยคือว่าแม้แต่ในมิลินทัปัญหาน ะ, ะท่านก็เอาข้อความนี้เนี่ยมากล่าว ท่านกล่าวถึงบอกว่าบุคคลผู้ที่เป็นเพศที่สูงคือเป็นสมณะเนี่ยบวชแล้วเนี่ยนะแล้วก็เสกออกมาเป็นคริหัดเนี่ยมาเป็นเพศที่ต่ำเนี่ยท่านจะยกข้อความอันนี้ว่าเหมือนกันเปรียบเลยสามสิ่งมลแสดงว่านะในบรรดาอั ธ, ธกถ า, าดีกาทั้งหลายนี่นะล้วนแต่ไม่มีใครคิดคิดคำขึ้นมาเองโดยที่เรียกว่าเป็น ไม่มเป็นของตัว <มา S 2> ไม่มีที่มาที่ไปนะถ้าผู้ที่ศึกษาปไตยไปดกก็จะเห็นมาโอ้นี่นะเราเนี่จะกล่าวธรรมะต่อไปนี่นะควรที่จะต้องระมัดระวังมากนะต้องมีที่มาที่ไปนี่ในมิลิทิมปัญหาเป๊ะเลยไปดูได้เลยเจ้าทแล้วท่านก็แต่งเป็นคาถาประพันธ์คาถาประพันธ์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อัตคาถาท่านแต่งนะเป็นพุทธพจน์เลยเขาแปลมาจากพุทธพจน์ตรงๆเลยว่าบุรุษผู้ตกอยู่ในคูฏ เห็นสะมีน้ำเต็มเปี่ยมไม่ไปหาสระนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของสะไม่ฉันใดเมื่อสระคืออมตะในการที่จะชำระล้างมนทินคือกิเลสมีอยู่เขาไม่ไปหาสระนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของสระคืออมตะไม่ฉันนั้นเหมือนกันคนผู้ถูกศัตรูกลุ่มรุมเมื่อทางหนีไปมีอยู่ไม่หนีไปข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่ฉันใด คนที่ถูกกิเลสกลุ้มรุมเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่ไม่ไปหาทางนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางที่ปลอดภัยนั้นไม่ฉันนั้นเหมือนกันคนผู้เจ็บป่วยเมื่อหมอรักษามีอยู่ไม่ยอมให้รักษาความเจ็บป่วยนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของหมอมนั้นไม่ฉันใดคนผู้ได้รับความทุกข์ถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสเบียดเบียนแล้ว ไม่ไปหาอาจารย์นั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของอาจารย์ผู้แนะนำไม่ฉะนั้นเหมือนกันถูกกิเลสกลุ่มรวมแล้วไม่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะโทษพระไตรปิฎกไม่ได้แล้วท่านยังนึกต่อไปอีกว่าคนชอบแต่งตัวเนี่ยนะพึงทิ้งซากศกที่คล้องไว้ที่คอไปได้อย่างมีความสุขซึ่งท่านอธิบายว่าบุรุษหรือวัยรุ่น วัยรุ่นนมสาวที่ชอบสวยชอบงามรักสวยรักงามเนี่ยอึดอัดระอาเกลียดด้วยซากงูซากสุนัขหรือว่าซากมนุษย์เนี่ยนะเอามาแขวนคอนะที่ผูกไว้ที่คอจึงปลดซากนั้นออกไปเสียฉันใดแม้เราก็ควรจะทิ้งกายอันเน่านี้ไม่มีอะไรสิ้นตัณหาในกายอย่างนั้นเถอะเข้าไปสู่นิพพานคนครฉั น, นั้น คำวานครเนี่ยเป็นสำนวนนะอุปประมาณเฉยๆชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะรถบนพื้นที่อันส ก, กปรกแลว้วย่อมไม่เก็บใส่พกหรือเอาชายผ้าห่อไปต่างรังเกียจไม่มีอะไรกลับทิ้งไปเสียฉันใดเคยเห็นคนไปอุจจาระแล้วพกกลับมาด้วยไหมน้อยมากนะเว้นไว้แต่ว่าคนแบบคนที่ไปหยาบจริงๆนะจริงจะทำคนธรรมดาจริงๆไปถ่ายอุจจาระมีใครเก็บมาด้วยหรอ แม้เราก็ควรจะไม่มีอะไรทิ้งกายเน่าหนิเสียเข้าไปสู่นิพพานคอนครอันเป็นอมะตะฉันนั้นนายเรือไม่มีอะไรทิ้งเรือลําเก่าคร่าค่าไปฉันใดแม้เราก็จะละกายอันเป็นที่หลังไหลออกจากปากแผลทั้งเก้านี้ไม่มีอะไรเข้าไปสู่นิพพานบุรีฉันนั้นเรือรั่วว่างั้นเถอะ น้ำก็ไหลเข้าน้ำเจ้าพญ า, ยา น, น้ำอะไรด้วยเนี่ยโห oh, ไหลเข้าเนี่ไม่ดีเลยนะกายนี่ก็เหมือนกันนะมันไหลทางตาก็จากตานี่ก็ไหลอยู่ตลอดลนะนะต้องคอยเช็ดจากหูก็ไหลจากจมูกก็ไหลจากปากก็ไหลทวารอื่นก็ไหลตลอดเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระปวดปสวัสสาวะไหเลเรื่อยนะมันกายที่มีแผลทั้งเก้าเนี่ยนะอันหนึ่งบุตรพาเอาแก้วนาน า, นาชนิดเดินทางไปพร้อมกับโจร จึงละทิ้งพวกโจรเหล่านั้นเสียเพราะกลัวจะเสียแก้วของตนถือเอาทางที่ปลอดภัยฉันใดกรัชกายกรัชกายก็คือกายของเราเนี่ยนะที่เกิดจากธุรีฝั่งเอมธุรีได้ยังไงเอาก็เข้าสุกขนมสดที่กินกินเข้าไปเนะี่ยเราเรียกว่าธุรีแหะมาปรุงประชุมแต่งกันขึ้นเจรินเติบโตด้วยอย่างเงี้ยนะกายนี้เป็นที่เจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องมีการอบการนวดการฟันอยู่เป็นนิด มีอันแตกกระจัด ก, กระจายเป็นธรรมดาท่านจงพิจารณากายอันนี้แหละเหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะอันก ร, รัชกายเนี่ยกายอันเกิดจากทุลีอันนี้เนี่ยนะไม่มีความมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นก ร, รัชกายนี้ก็ชนั้นเหมือนกันเป็นเช่นกับโจรปล้นแก้ว พอหมกมุ่นในกายมากเนี่ยนะขณะที่กาลังแต่งตัวอยู่นี่คนนี่มาหากุศลเกิดไหมเกิดง่า ย, ายไหมหวีผมอย่างนา้าเนยจะมาฟังธรรมนะหวีผมจะมาฟังธรรมเนี่ยกุศลจิตเกิดหรือเปล่า <Okay. S 1> แม่ฟังยากเต็มทีเหมือนกันนะแต่งหน้าทาปากจะมาฟังธรรมเนี่ยเอาเถอะจะมาฟังธรรมด้วยนะกุศลจิตก็ยังเกิดยากนะแต่งเนื้อแต่งตัวจะมาฟังธรรมก็ยังกุศลยากปัจเวกหรือเปล่า <c oughs> ใครพิจรารณาผ้ามามั่งแนะนโมทนาด้วยแนะ่ ถ้าเรานึกไม่ออกนะตอนนี้นะถ้าเรานึกถึงตอนเราวัยรุ่นดีนะกําลังเข้าสู่วัยรุ่นอนะ่ะเรารักตัวยังไงนะถ้าผู้ชายก็หมาจะต้องร่างกายแข็งแรงต้องมีตรงนี้ความสง่ามมีนะเป็นชายไปนะผู้หญิงก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ติดข้องมากในตัวเนี่นะอย่างมากๆเลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถึงกับผูกคอตายเลยมีนะ พ่อแม่ห้ามันยังงุ่นยังเงี้ยในใในเรื่องเที่ยวเร่งเตะเรื่องการแ ต, แต่งตัวนี่นะโอ้เสียใจผูกขอตายเลยเพรเรื่องใหญ่มากนะบางคนนะนั่งร้องไห้เลยเนาะไม่ให้ออกไปเที่ยวไม่ให้แต่งตัวนี่โอ้โหไม่ปัจเจกไม่พิจารณาก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนะถ้าเราจะก่อตัณหา ข, ขึ้นในกายนี้แก้วคือพระธรรมอันเป็นกุศลคืออริยมรระสูญเสียไปถ้าหากว่ามัวสนใจยุ่งข้องเกี่ยวในกายมากมากเนี่ยนะ อันนี้เนี่ยแก้วคืออริยมรรคจะเสียหายไปนะพระองค์ตรัสไว้ในเจโตขีละสูตรนะหรือว่าเจโตวินิพันธะสูตรเนี่ยกล่าวถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องติดข้องในกายยังไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความอะไรในกายที่จะมาปฏิบัติทำให้สืบเนื่องเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เะงั้นเดี๋ยยากเพราะว่ามันติดพันมาก อันคนที่ติดพันในกายมากๆแก้วคือกุศลธรรมก็จะหมดแหมแต่ไม่เห็นกุศลเป็นแก้วสักทีหนึ่งนะเห็นกายเป็นแก้วเอากายไว้ก่อนแก้วค่อยว่าที้งเดี๋ยวกายสุดๆก่อนค่อยหาแก้วใหม่เนี่ยเอาอดเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นควรที่เราจะละทิ้งกายอันเช่นกับโจรนี้เสียแล้วเข้าไปสู่นิพพานนครดังนี้ เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุรุษเรลื่องซากศพที่หน่าเกลียดซึ่งผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่อย่างสุขเสรียอยู่ลาพังตนได้ชั้นใดคนก็ควรละทิ้งร่างกายเน่าที่มากมูลด้วยซากศพนานาชนิดไปอย่างไม่มีอะไรไม่มีความต้องการอะไรฉันนั้นชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระลงในที่ถ่ายอุจจาระทิ้งไปอย่างไม่มีอะไรไม่มีความต้องการอะไรฉันใด เราจะละทิ้งตายที่เต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดนี้ไปเหมือนคนถ่ายอุจจาระแล้วละทิ้งซ่วมไปฉะนั้นไปเข้าห้องน้าข้างตำนี่คิดถึงกันหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่นะไม่จำเป็นไม่คิดเลยนะเจ้าของละทิ้งเรือที่เก่าข่ำคร้าผูกพังน้ำรั่วเข้าไปได้ไม่มีความอะไรไม่มีความต้องการอะไรฉนันใด เราจะละทิ้งกายนี้ที่มีช่องก้าวช่องหลังไลออกเป็นนิดเหมือนเจ้าของทิ้งเรือเก่าไปฉะนั้นบุุษไปพร้อมกับโจรถือห่อของไปเห็นภัยที่จะเกิดจากการตัดห่อของจึงทิ้งแล้วไปเสียฉันใดกายนี้เปรียบเหมือนมหาโจรเราจะละทิ้งกายนี้ไปเพราะกลัวจะถูกตัดกุศลฉะนั้นเหมือนกัน เนี่ยอาศัยกายอันนี้แหละยอมว่ามันเป็นที่หลังออกมาแห่งบาปอกุศล น, นะเราลองสแสวงหาดูนะเรามีผมเนี่ยเราเคยอาศัยผมแล้วเจริญกุศลได้ไหมมีขนเนี่ยอาศัยขนแล้วเจริญกุศลได้ไหมมีคิ้วเนี่ยอาศัยคิ้วแล้วเจริญกุศลมีตาแล้วทําตาให้เป็นกุศลเนี่ยนะมีจมูกแล้วอาศัยจมูกเจริญกุศลมีลิ้นอาศัยลิ้นเจริญกุศลมีหน้าอาศัยหน้าเจริญกุศลมีคําพูดเสียงออกมาดังๆเนี่ยเอาคําพูดเหล่านี้มาเป็นกุศล มีแขนนะยกแขนให้มันเป็นกุศลมีเท้ายกเท้าให้เป็นกุศลยืนเดินนั่งนอนให้เป็นกุศลนี่มันทำยากนะเกี่ยวข้องกับกายเนี่ยส่วนใหญ่จะยากขนาดนั้นอันกายนี้เนี่ยจริงๆบอกว่าเหมือนมหาโจร น, นะแต่ว่าแหมมอยู่ด้วยกันมานานก็เลยรักใคร่ผูกพันกันเขาบอกว่าสํานวนเขาบอกว่าคุณอยู่กับยักษ์นะไม่เชื่อนะอ่าในในสํานวนหลายแห่งท่านอุปมาว่าคนที่ยึดข้องยึดติดในรูปนามขันท่าเนี่ยนะ ก็เหมือนกับคนแต่งงานกับนางยักษ์อ่ะสมมติว่าไปแต่งงานกับยักษิศรีว่างั้นเถอะทีนี้ก็อยู่ด้วยการผูกพันกันมานานเสรแล้วยักษิศีก็เลี้ยงไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกว่าคุณนี่อยู่กับยักษ์อยู่นะคนทั่วไปนี่รับยากนะโอ้รับยากนะกว่าจะเชื่อได้แต่ก็มีบางคนฟังดูเออก็บอกว่าอยู่กับยักษ์เขาถามว่าทําไมคุณยังว่าผมอยู่กับยักษ์คุณลองดูนะพฤติกรรมของของคนคนนี้เนี่ย เวลาเท่านั้นเขาจะทำอย่างนั้นเวลาเท่านั้นเขาจะทําตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณเลี้ยงเข้าไม่ดีโค้ชมากัดคุณกินนะเขาก็คอยตรวจสอบดูเออใช่ใช่ใช่เออแล้วจะให้ผมทํำยังไงต่ออ่าคุณหาทางหนีเนอะนะคุณจะต้องหนีด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้คุณจึงจะพ้นจากเขาได้ก็บอกว่าร่างกายรูปนามขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกับเราได้แต่งงานกับคนที่เป็นยักษ์เป็นมารนั่นแหละ เสร็จ แ, แล้วก็ฟังคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ะเออคุณคลุกคลีอยู่กับยักษ์นะรูปนามขันห้าเป็นเหมือนกับผู้ฆ่านะเป็นเหมือนกับโจรเป็นเหมือนกับศัตรูนะสักคุณเลี้ยงไม่ดีมันกัดคุณมันฆ่าคุณนะคุณบํารุงธาตุดินมากไปผิดธาตุน้ํำนะคุณบํารุงธาตุน้ํามากผิดธาตุลมนะคุณเอาธาตุลมมากผิดธาตุไฟนะมันก็จะหมุนอยู่งั้นแหละมันจะคอยเล่นงานคอยฆ่าคุณ เพราะฉั้นคุณพิจารณาหาทางออกซะหาทางยังไงหาทางด้วยการเห็นโทษสิ่งพวกนี้มากๆแล้วคุณค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายค่อยหนีไปหนีไปด้วยวิปัสสนานั่นเองถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งเหล่านี้มากๆปัญญาก็จะเจริญพอกพูนมากนั้นจนกว่าจะเมื่อนึกถึงรูปนามขันห้าอันใดใจก็หดเข้าเหมือนกับปีกผลสัตว์เนี่ยนะแย่เข้าไปในกองไฟได้เมื่ อ, อไหร่ก็เกือบใช้ได้แล้ว อขนไก่เนะี่ยแย่เข้าไปในไฟเนี่ยนะเมื่อพิจารณารูปนามขันห้าทุกอย่างไม่มีหน้ายินดีฉันนั้นเหมือนกันนลยนะนี่คือภัยนะนี่คือทุกข์นี่คือสิ่งมีอมิตรนี่มีเครื่องล่อว่างั้นนี่คือเบ็ดนี่คือของที่ดักไว้ะทาให้พิจารณานี่มีโทษแน่นอนเราจะรู้ว่าโอ้ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรละ ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเมื่อไม่เจริญไม่พอกพูนอย่างนี้ก็เลี้ยงกันต่อไปไม่ต้องห่วงเมีข้อความที่ประทับใจอย่างนะที่ท่านกล่าวไว้ว่ามหาพูตธ ร, รูปฆ่ากันเองท่านว่างันนะนะขันห้าฆ่ากันเองถ้าขันใดเช่นรูปขันรูปขันใดขันหนึ่งนะฮะต้องแตกสลายรูปขันอื่นก็พอยดึงแตกสลายไปด้วย ถ้าธาตุดินแตกสลายก็ดึงเอาธาตุน้ําแตกสลายไปด้วยนะถ้าหากว่ารูปขันแตกสลายก็ดึงเอานามขันแตกสลายไปด้วยนามขันแตกสลายก็ดึงเอานามขันอื่นๆแตกสลายไปด้วยอุ้อ่านดูแล้วตางคนต่างข่ากันนัวไปหมดเลยเอครับ ok เพราะฉะนั้นถ้าเรียนพระพิธรรมนะก็จะเข้าใจาซาบซึ้งดี จะแม้ขันท่าเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วอันหนึ่งนี่นะมันกระเทือนนะอีกอันหนึ่งต้องกระเทือนด้วย